อาโอ่ก็เป็นภาระแกตัวเองปฏิบัติแก้ไขปัญหาตัวเองเป็นเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นภาระว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคล ต, ตนเราเขาแปลว่าทำภาระหน้าที่แล้วแกต่างไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ แม้แต่เกิดปัญหาในเรื่องความคิดก็บอกว่าเฉลยว่าจิตนี้ก็สักวิจิตไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาหรือมันเกิดทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนออกกาเป็นอิสระอย่า ไปยึดเป็นอุปท า, านยึดเอาถึงไหนไม่เที่ยงถึงนั่นเป็นทุกข์ถึงไหนเป็นทุกข์ถึงนั่นไม่ควรยึดไม่ควรถือถึงไหนไม่ใช่ตัวตนถึงนั่นก็เป็นทุกข์ถึงไหนเป็นทุกข์ไม่ควรไปยึดไปถือนะ <c oughs> เป็นภาระนอกจากเห็นเลยให้ตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่น เป็นภาระต่อกันต้องบอกต้องสอนกั น, นบางทีเรากนก็เป็นภาระต้องเชื่อฟังกันอยู่ด้วยกันนอกจากภาระที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นภาระที่อีกหลายอย่างดูแลของวัดของว่าดูแลวัตถุสิ่งของ ที่มันระลดชดสดโมโด้จักซ่อมแซมโด้จักซ่อมแซมพัสดุที่ค้าค่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายไปแล้วให้กลับขึ้นมาโด้จักแสวงหาพัสดุที่ยังไม่มีให้มีขึ้นโดยจัก อยู่ในศีลอยู่ในธรรมทั้งผู้อยู่ด้วยทั้งผู้ผูกอยู่ด้วยให้ตั้งอยู่ในความดีให้สร้างให้เกิดสมาธิสร้างกันเละกกันให้เกิดสมาธิสร้างกันและกันให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสร้างกันเละกกันให้มีเมตตาครุณา วันนี้เลยว่าเป็นภาระสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสลูใหม่ๆก็รับเป็นภาระเลยเลยต้องไปบอกไปสนอนคน <c oughs> คิดถึงอุทาการาปุตราตาดาปุธคิดถึงปัญจวัคีสอนปัญจวิคีได้สำเร็จสอนเอ่อ <c oughs> เพื่อนยาสาวคุณลบุตรให้สําเร็จก็สั่งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นภะร ะ, ะแต่ละเถรพิกะเวยาลิกังจงไปภิสษุทั้งหลายจงไปเพื่อประกาศเพื่อกุณแก่คนทั้งหลายประโยชน์แก่โลกทั้งหลายเพื่อคดผู้มากก็ไปเป็นภะระ ไปประกาศพรมจรรย์ความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ทั้งพูดให้เขาฟังทั้งทำให้เขาดูต้องอยู่ให้เขาเห็นอย่างนี้หรือว่าเป็นภาระพอเราก็อยู่ที่นี่ก็คิดว่าจะมาทําเรื่องนี้กันมาศึกษาเรื่องนี้กันบางทีมันก็เป็นภาระที่นอกจากเราและเพื่อนยังมีสิยงอื่นวัตถุอื่น ที่ทำให้เรามีภาระหน้าที่แม่แ ม, ม่คีก็ทำโรงทานอยากโจมก็ทำอาหารบางทีราสงก็เจ็บกวดเจ็บขยะดูแลน้ำดูแลไฟดูแลห้องน้ำห้องส้วมดูแลที่นอนหมอนมุ้งดูแลเถเศนาสนะอราก็มีภาระอีกแล้วก็ดูแลต้นไม้ ดูแลสัตว์ป่าไปเองใี่แล้วพอเราไม่ได้คิดว่าจะมาดูแลรักษาต้นไม้อะไรต่มาขออาศัยป่าธรรมชาติเพื่อบําเพ็ญสมณธรร ม, มก็เกิดไปไม่ป่าเกิดคนลักลบตัดไม้มาอยู่ที่แรกก็ไม่เจ้งไม่ควงไม่สัตสาลาสิ่งแล้วก็จะไ ป, ปล่อยให้เขามาังฆ่ามายิงก็ดูไม่ดีต่อหน้าต่อตาแล้วก็รู้จักห้ามเขาเป็นภาระ อ้าวมาไปมาไหมป่าอ้าวก็เป็นภาระ ต, ต้องปลูกป่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาปลูกป่ามันเกิดขึ้นมาเองมันมีงานไม่การมันโจดเราเราก็เป็นจำเลยก็ต้องแก้ต่างอยู่ช่วยเขาเดินผ่านต้นไม้จะเดินร่มร่มถ้าเห็นต้นไม้เหี่ยวก็เอาน้าลดมันบาง คือแง่น้าใจเดินผ่านไปเห็นอะไรที่มันไม่ดีแง่งามก็ช่วยเป็นภระว่าอันนี่เห็นโลกเห็นเต่าไปดีก็สอนลูกสอนเต่าเป็นภระเอากันเอากันตลอดทั้งจะไปวัดไปว้าก็ชวนกันไปบ้างตลอดเป็นภระาในอะไรก็นอกอก็เรากแบง่งปันกัน ให้เมตตาคุณาให้ความอภัยกันแล้วกันให้แบกปันกันเชลีความทุกข์ช่วยกันคนหนักหนักคนหนักเบาช่วยกันรู้จักช่วยกันมาเนี่ยเรียกว่าเป็นภาละตอนอกจากนั้นเราก็เป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้เมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ทำชะนายการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราแล้ววิธีเราก็ไม่บป็นอะไุทิธีส่อรหันตังสัมมาสัมปตังทิธี ต, ตอพระพุทธเจ้าทำอย่างพระพุทธเจ้าเรียนแบบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงส่องสอนสาพวกทั้งหลายส่วนมากสอนเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนาม เห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณที่เราสวดจบลงไปเมื่อกี้นี่ส่วนมากเอวังรวมลงอยู่ก ต, ตรงนีน้เราก็มาศึกษาวิธีการศึกษาก็มีวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานก็คือวิชาที่พระเจ้าสอนเอากายเป็นหลักสูตรเอาใจเป็นหลักสูตรมีสติเป็นนักศึกษามาดูมาอ่านมองดู ให้มันต่อหน้าต่อตาดูกายที่มันเป็นดุนเป็นก้อนอยู่นี่แหละจะไปดูที่ม็ดที่สร้างขึ้นมโนภาพวาดขึ้นเป็นลูกแก้วเป็นสีเป็นแสงเป็นกระสินอะไรต่างๆไม่เอาเอารูปที่มันเป็นดุนเป็นก้อนอยู่นี่จับมันมาอเอามาเป็นวัดสดุอุ ป, ปกรณ์ปิดความรู้สึกออกมา แต่รูปมันก็จะแสดงให้เห็น <c oughs> นามคือกายคือจิตคือใจมันก็แสดงให้เห็นเราก็มีสติเป็นหลักเป็นหลักมีสติเป็นหลักหลักมันมีอยู่มันจะไปไหนก็มันก็มีหลักเพีนขุดป๋อทั้งหลายคนที่มีความรู้ทั้งหลายหลักมันมีอยู่ถามคนป่วย คนป่วยพู้ในฝั่งหลักต้องก็ไม่อยู่เมื่อได้หลักแล้วก็ใช้ยุดให้ยาให้ความรู้แก้ไขการปฏิบัติธรรมก็มันกันมันก็มีหลักอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างที่ว่าไปเกี่ยวกับเวทนาอย่าไปไกลเกินไปกับหมอกตั้งแต่ต้นๆว่าเวทนาไม่เที่ยง เวทนาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันไม่หลักอยู่จะเล้ยได้อยู่มันไม่ตัวเฉลยทุกอย่างมันเป็นคู่กันอยู่ความเกิดก็เป็นคู่ความไม่เกิดความแจก็เป็นคู่ความไม่แจกความเจ็บก็เป็นคู่ความไม่เจ็บความตายก็เป็นคู่ความไม่ตายความโกรธก็เป็นคู่ความไม่โกรธความทุกข์ก็เป็นคู่ความไม่ทุกข์ ความหลงกับเป็นคู่ความไม่หลงอันตัวหลักมันอย่าหลุด jon. มันหลงเวลาใดก็รู้ได้มันมีหลักในชีวิตเรามันมีหลักอะไรก็ตามมันมีหลักเขาสร้างขึ้นมาให้แก้ไขให้เปลี่ยนลล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เปลี่ยนไล่ให้เป็นดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนทุกข์น้เป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลง เปลี่ยนให้มันเป็นปกติความถูกต้องคือปกติกายปกติใจอย่านี้เป็นไหนสร้างปกติขึ้นมาให้มีฝีมือให้มีการงานอย่างนี้บ้างให้มีความเก่งเป็นเข้มเรื่องนี้บางอย่าปล่อยปละละเลยเราจึงต้องมาฝึกหัดพอมาฝึกหัดเราก็เห็นลู้เห็นทาง เห็นลู่เห็นทางมันไม่ใช่มืดแปดด้านทำลงไปสิ่งที่มันจะทำให้เราเฉลยมีเยอะแยะสนุกเฉลยสนุกเห็นสนุกแก้ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ที่มันเกิดกับกายกับใจบางอย่างก็วันเทาบางอย่างก็กำหนดลู่เฉยๆลู่แล้วว่าเท่านี้ก็แล้วไปแล้วความทุกข์บางอย่างลู่แล้วเท่านี้มันก็จบไป เป็นสภาวะทุกข์ทุกขังอริยสัจย์งทุกขังสมุทัยอริยสัจย์งทุกขังนิโรธาอริยสัจย์องทุกขังนิโรธาขเมณีปฏิปทาอริยสัจย์อ้ามันตางกันไปทุกขังนิโรโททุกทําให้พ้นไป ทุกของสมุทธนุทุกขังสมุทนิโยเรียสัจจ์มันมีเหตุนั่นนิโลธแก้ที่เหตุทุกข์ของนิโลโทข้มขา้ขามันนิมั น, น, ม น, นิปฏิปทาอ้าวมันเป็นทางที่จะท้อลู้ทางออกไปอ่มันมีมันมมันมทางให้มันทำเนจรจานการปฏิบัติการเจริญสติจะเห็นแก้งจากนี้ หลืศึกตัวก็หลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรูม้ก็หลงเรื่องอะไรหลงเรื่องสศกหลงเรื่องทุกข์ทุกอะไรทุกขเวทนาทุกโศกโศกเาทุกให้ลำพันธุ์ทุกยากทุกจนทุกวงวงแตกไม่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ทุกข์ความยากความจนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องอุถานะสัมปทาต้องขยันมันเพียน เร้จักหาวามาแล้วก็รู้จักรักษารักษาแล้วรู้จักใช้รู้จักใช้รู้จักกินให้เปนอย่าไปสุลุ่ยสุร่ายเราตั้งบุรุษสตรีที่เป็นคนมีศินเป็นคนดูแลอย่าเป็นแล้งคาบมาคาคาตีนั่นทุกข์ยากลําบากทุกข์จนทุกข์เพราะนั้นมันทุกข์ยกนั้นมันพระเจ้าก็สอนเรือว่า หัวใจเศรษฐีออากาสะโออากาสะไรโออากาสหัวใจเศรษฐีทำดูสิมันจะไม่จนองขยันมันเพียนรู้จักหารู้จักรักษารู้จักใช้รู้จักเก็บหอมรอมริบทุกข์ก็เลยแต่มันไม่ ทุกขังทุกขังกําหนดรู้วันนี้ไม่ได้หรอไม่หายใจก็ไม่ได้ไม่พิบตาไม่เคลื่อนลำลายไม่เคลื่อนมาไหวทุกเวทนาบางทีก็อิีบุก็นั่งโยวันปวดมั่ยก็เพิกหน้าเพิกหลังนางนอนมันเหนื่อยกันไปก็ลุกขึ้นนัง่งนั่งเหนื่อยกันไปก็เดินยืนนะอดีบุตรฝันท่าทุ่กับเวทนาได้ท่าวุ่น โศกโศกอะไปพิไรลำพันนอะไรเพราะว่ากันเราเขาทํงงาอย่างนั้นก็าทำเลยอ้าวเปลี่ยนซะปะนะีรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าไปยึดทุกอุปท า, านทุกสมถัยต้องละอย่างเดียวทุกวางอย่างละปัแบบ๊บทันทีเปลี่ยนทันทีมาไหนตัวอย่างไม่อยู่เอาอย่างพระพุทธเจ้าของเราเอาอย่างพระละหร้หันนี่อยู่กับเราเหมือนกัน สุขมันไม่อยู่กับเราเห็นถ้าจะพูดแล้วสมัยพระพุทธองค์บุกเบิกเกินแผ่พระพุทธศาสนานโอ้ยยากว่าเราถูกดาถูกว่าถูกคนไรค่าองค์เคยมานจบับดาบไล่ฟันวิ่งหอวชุกหอวนมันกันพระองค์ก็ยังคิดจะช่วยเหลือองค์เคิมารดูสิ อาไปเทศนาว่าจะไปโปรดเขาถูกเขาดา่าแต่มาหน้าหัวล้นพุ่มเ็บหม้อเข้ามาขอเขากินไหน้ามาหาจีนนะถูกนางอะไรจ้างคนตามดา่าสี่จังหวัดสี่แคว้ น, นพระโต้ ก, ก็เออเไม่กลัวไม่ทางเอาอย่าง ภาษาอะไรพวกเราแค่นี้เองอแค่นี้เองไม่ได้บุกเบิกอะไรมีวัฒนธรรมช่วยเรามีประเพณีช่วยเรามีศาสนามีคำสอนช่วยเรานั่งอยู่นี่รู้ดีรู้ชัว่วรู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่โง่หลงงมงายช่วยเราได้เยอะเราเก่งมาพอสมควรแล้ว ไม่มีใครที่จะชั่วที่สุดไม่หมีเพราะเราก็มาดีกันเท่านั้นแล้วก็มาต่อเติมมานล้โอม อ, อกคอมใจจะรรนี่ตัวอย่างของเราอย่างดีแล้วก็มีวิธีวิธีเนี่ยก็เป็นวิธีที่เปิดตัวจริงๆจะได้เห็นอะไรจะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาระยะที่เราปฏิบัติ เห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งหลงเห็นทั้งรู้เี่มันจะใช้ออกมาบางทีก็ใช่มากก็ได้ศึกษามากอย่าเข้าไปเป็นกับสิ่งต่างๆหลักมันไม่อยู่เราก็ไม่ผู้บอกไม่ผู้สอนอย่าเข้าไปเป็นให้เห็นมันมันคิดก็อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดมันทุกข์ก็อย่าเข้าไปอยู่ในความทุกข์ มังก็แช่นั่นเองออกมาดูลักษณะที่เราดูก็มีมีอยู่บางทีเราทำได้เราทำเป็นโอ้แก้ได้เล็กๆน้อยๆก็ชิดถึงคนอื่นาบางทีก็ผู้อาจารย์ที่มาปฏิบัติโอ้จะไปไหนจะไปสอนเด็กนักเรียนจะเอารูปแบบนี้ไปทำเดีกก็ชิดไปโอ้ดีเอาไปขยาย เอาไปขยายเอาไปปฏิบัติเอาไปบอกคนอื่นเอาไปแบ่งปันคนอื่นมีน้ำใจเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่น้ําใจของเราทําลงไปแล้วแล้วก็พยาพยามทําพยายามทําอย่างที่พูดเมื่อวานนะพระพุทธเจ้าจะไปโปรดปันจะไปคีไปที่แรกไปพบกันที่แรกอยู่สาลนาททางทิศใต้ไปนอน อนจะวิคีนหนีไปเลยไม่รับอ้าวพระพุทธเจ้า ก, ก็ย้อนตามไปอกีกยังไม่น่าพใจที่จะพยายามพยายามที่จะไม่ทุกข์พยายามที่จะไม่โกรธพยายามที่จะไม่หลงเพราะว่าความรู้สึกตัวนะเพื่อที่จะรู้อย่างเดียวความรู้สึกตัวก็คือทุกอย่างทุกสิ่งของชีวิตแล้วนะ ถูกต้องแล้วเป็นสมาธิติแล้วความรู้สึกตัวอะไรอะไรก็ตามคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราสร้างเนี่ยเริ่มต้นเล็กเล็กน้อยนี่แหละจมแล้วมไม่มากขึ้นมาให้มันมีมากขึ้นเถอะมันจะเป็นอย่างไรมันจะลิขิตไปเอง เ, เราจงมาทํากันไม่ใช่มาพากันนัง่งหลับหูหลับตาเชื่อหลงงมงายให้แพงน้า ผูสอนก็ไม่เป็เจ้าลัทธิไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่เป็นเจ้านิกายอะไรผู้สอนก็เป็นเพื่อนกับพวกเราผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติตามก็เป็นเพื่อนกันกับผู้สอนไม่ใช่เจ้าลัทธิไม่ใช่อเพื่อบริวารพวกพ้องไม่ใช่แบบนั้นเป็นเพื่อนกันพวกเรานั่งหลังขดหลังงอมันก็พวกเราไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร์ให้ ญาติโยมมากราบมาไหว้ไม่ใช่เดู๋ด้วยกันจินก็บจินด้วยกันเป็นเพื่อนกันกันละยานามิตรจริงจริงแต่เห็นก็เห็นอย่างเดียวกันทุกข์ก็ทุกข์อย่างเดียวกันไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเห็นเวทนาก็เห็นเวทนามันกัน เวทนาก็เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุก ค, คลตัวตนเราเขาอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เห็นแบบนี้ก็สอนแบบนี้เราก็เห็นแบบนี้เราก็สอนตัวอย่างแบบนี้ความคิดก็เป็นความคิดเหมือนกันไม่มีใครที่จะลอยผ้าลอยเพมกมาหรอกเกิดจากกิจจากใจที่มันคิดขึ้นมาอันมันมีรูปมีนามมันก็พระพุทธเจ้าก็คิดเหมือนกัน อาจจะคิดกกว่าพวกเราด้วยพวกเรานั่งอยู่นี่ไม่มีประสาทสามเลยดูเฮ้จะมีก็ไม่เป็นไรเนาะอาจจะมีประสาทสามเลยดูพระเจ้ามีสนมกำนันไหนทิฏฐะผัดศีเตเป่าไม่มีบุรุษเฉื่อยผลขนาดไหนกอาจจะคิดมานั่งอยู่ใต้ต้นโพเพราเราไม่ได้นั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้ว น, น, นะน่ย นั่งอยู่ในหอดตจนอนอยู่ในกติพระพุทธเจ้าโอ้ยไม่มีกติอยู่เลยฝนตกเปียกตลอดคืนจนพญานาคมพดแผ่พังพานให้อยู่ในร่มงั่งก็ไม่พอเราจะเห็นกลางเต้นกลางก่อนพอกกันตุ่มพอกันพระเทพก็กลางเต้นอยู่อรักดีแล้วโอ้ยเราลํำบากนาะไม่มีกติเนาะ ไม่ใช่สนุกอเปียกบ้างฝนตกเปียกบ้างก็ดีอย่าไปมีอะไรแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ไม่ทุกข์สักอย่างเลยในโลกนี้เอาเงินไปนั่นแล้วเผื่อๆไว้ในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์มองอย่างนี้การปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเกิดจากกิตก็ไม่ใช่ทุกข์เกิดจากกายก็ไม่ใช่ทุกข์เกิดจากหล่อนจากเน่าไม่ใช่ทุกข์อ้าว บอกด้วยเลยมันเป็นอาการอาการของกายอาการของกิจแม้แต่ความโกรธก็ไม่ใช่ทุกเลยเป็นอาการของกิจความหลงก็ไม่ใช่ทุกเป็นอาการของกิจวัวับแแบบแบบไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรความโกรธความกันความโลภความหลงไม่ใช่ไปทุกทำไมไปหลงทำไมไปยือดอะไรไม่ใช่เป็นอาการไปยืดห้มันเป็นก้อนหรือไม่ใช่ ไปคว้านหน้าให้มันเป็นก้อนหรือจะไปปรุงหน้ามันเป็นก้อนเลยแม้เขาปุงน้าแข็งมันก็ไม่ได้มันก็ละลายไปอยู่ด็ดียมันไม่เทียมมันไม่ใช่ตัวตนนี่เห็นลู่เห็นทางไปอย่างไหนการปฏิบัติต้องช่วยต้องช่วยตัวเองมองช่วยแม้นมันกายมันทุกมองแบบไม่ทุกอช่วยตัวเองช่วยตัวเอง เห็นเราหิวหข้าวอ้อีกไม่เจ็ดชั่วโมงก็จะได้กินแล้วอะเห็นแม่สอนลูกหิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเบื้องหน้ามันจะไม่ทุกข์ท่านว่าจะเป็นสุขต้องทุกข์ลงทุนก่อนถ้าอยากมีสุขต้องมีทุกข์ลงทุนก่อนลงทุนแบบไหนทํามาหากินสร้างสารรค์ ปฏิบัติทํานั่งยกมือสร้างใจว่าหลังคดหลังงอยเนี่ยเดินจงกรมสองชั่วโมงสามชั่วโมงสองพันสามพันสี่พันห้าพันพันเก้าอยู่ยนิ่งเนี่แต่นั่งแต่นอนอยังไม่ได้หรอกเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปเทศสมอบรมผู้สูงอายุคนแก่เนี่ยนั่งนั่งนอนนอนไม่ได้เดี๋ยวโรคเบาหวานเลือดมันไม่วิ่งอ เห็นว่าตัวเองแกโอ้ยเดินไม่ได้ห่ะนอนเช็ดเลยเดี๋ยวโรคเบาหวานเร่งงานใช่ไหมคุณหมอทำไมเคลื่อนไหวเนาะต้องออกแรงต้องหายใจแรงแรงให้มันเหนื่อยทํางานให้มันเหนื่อยพอเหนื่อยมันจะหายใจแรงสูบสีดเลือดปอดใหญ่เบาหวานเกิดขึ้นได้ทํางานทําการอาบเมือ่อนอนอ้างว่าตัวเองแกทํำอะไรไม่ได้ไม่ได้อ่าน้อยเดินมาแล้ว สามพันเก้าได้ไหมสามพันเก้าสามพันเก้าก็ชั่วโมงเดียวเต้นข้ามาดื่มน้ำนะดีไหมดื่มน้ำห้าแก้วแล้วก็ดื่มน้ำหนะ้าแก้วดีจริงๆริงนะั่นยเชื่อหมอด้วยแต่ไปทำเป็นจริตนิสัยของตัวเงเคยทำไงมก็ทำอย่างนั้นหายใจลึกๆเข้าไปเต้นขึ้นมาสูดเข้าไปสักสามทอด มั น, มนหมุนหัวนอนๆสุดเข้าไปจนสามทอดมันสุดแล้วก็ดืบเข้าไปอีกมันดืบเข้าไปปล่อยออกไปมันหมดแล้วก็ยังบ่อยออกไปอีกมันหมดแล้วก็ยังปล่อยออกไปอสามทอดเป่าปอดให้ปอดมันใหญ่ให้ปอดมันมีกําลังมันนี่แล้วไปอ้อมอมแอมแอมอะไรศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเปิดตัวออกไปอ่า วางหน้าวางตาวางตัววางใจนะทมความเป็นในถูกต้องทุกขณะทำความเป็นใ้ถูกต้องลนทุกขณะและทําได้จริงๆงอย่าปิดตัวอย่ามืดบอดช่วยตัวเองมันหลงก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันสุข ก, ก็ ร, กกรู้บอกสอนกันอย่างนีนสอนที่เป็นตัวเป็นตนเองสอนสิ่งที่ทำได้โดยเจ้าสอ น, สอนพวกเรา ทำตามดูซิอย่ามีแต่เชื่อเฉยๆไม่ทําตามมีแต่ศรัทธามีแต่ศรัทธาก็เหมือนกับมีเนื้อนาแย่งเมนาสี่สิบไร่ห้าสิบไร่ร้อยไร่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ทําประโยชน์ถ้าไม่ปลูกข้าวถ้าไม <c> ่ <oughs> ปลูกผักไม่มีประโยชน์มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อมีศรัทธาไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกันที่ดินเราไม่ทาอะไรให้มันเกิดขึ้นมาถ้าย่างประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าใครซื้อที่ดินไว้ไม่ไปทำประโยชน์ก็จะขึ้นภาษีสองรอยเท่าแล้วก็เลยไม่มีใครไปซื้อที่ดินกันไว้กันราคาไม่มีที่ประเทศสหรัฐเพราะว่ารัฐบาลขึ้นภาษีสองร้อยเท่า ถ้าไปซื้อแล้วต้องไปปลูกบ้านไปอยู่เพื่อให้รัฐบาลเก็บภาษีแล้วนั่นก็ไปปลูกผักปลูกพืชได้คิดได้ผลขึ้นมาเพื่อให้สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างประเทศที่อุปโยงประโยชน์เท่นั่นเอาไปสร้างทะเลทรายไปตั้งบ้านเอาน้ําเข้าไป ไปปลูกบ้านไปทำแปลงปลูกผักไล่ป้ายไ ล, ยลย่พืชไล่ผักเราทำประโยชน์ขึ้นเป็นเศรษฐกิจของประเทศเขาชีวิตของเราประมาณกัน อ, อย่าไปใช้ให้มันอยู่เฉยๆสร้างขึ้นมาสร้างความรู้ขึ้นมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมามีกายมีใจแล้ว อย่าเจ็บไว้เฉยๆมาใช้ให้มันสำฤทธ์ประโยชน์จนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจที่วาจาเรานเกิดศาสนาเกิดพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจที่วาจาเรากายของเราก็ไปทํำตีใจเราก็ไปคิดตีวาจาเราก็ไปพูดดีมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกายของเราเกิดขึ้นเพราะ ใจของเราในการกระทาเราทำเราสอนตัวเราสอนเราได้ยังไงสอนคนอื่นอย่างนั้นสอนเราไม่สุผลิก็ไปสอนคนอื่นไม่สุรลิเพราะมันถูกต้องเก่งๆสอนเราไม่กินเหล้าไปสอนคนอื่นไม่ให้กินเหล้ามันก็ถูกต้องเก่งๆสอนเราไม่โกรธก็ไปสอนคนไม่ให้โกรธมันก็ถูกต้องเก่งๆถูกต้องไหมสอนเราไม่ให้ทุกข์ สอนคนอื่นไม่ทุกเหมือนกันถูกต้องเก่งๆไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรกันไปบอกความเริงแก่ผู้ใจญ่คนเราจะพูดความจริงเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปคิดเราจะบอกความจริงแล้วมีคนที่จะบอกจะช่วยกันเยอะๆอย่างน้อยผู้คนใกล้เราสามีภรรยาลูกเต้าหล า, านญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวาร ช่วยกันอา้าวคนทุกคนก็ไม่เพื่อนไม่เม็ดกันกันแร่รับเิดชอบดูแลมีลูกมีหลานก็รับติดชอบดูแลแล้ววันก็สงบปล่มเย็นได้เหมือนหลวงพ่อไปเดี๋ยวพูดแล้วพูดอีกไปเห็นคนแก่วันหนองเกห ม, มุน์น อ, อําเภอเมืงผล น, นะไป ด, ดูเขา้าวฟรษายไปก่เนี่ยไปเทศคนแก่ไป จำศีลวันพระเวลาครูไห้หลานคนสองคนขอหลานไปจำศีลด้วยเวลาครูครูก็ให้ลาให้มาจำศีลกับตากับยายพอเด็กพอตาพอยายเวลาเด็กเด็กมาอยู่วัดด้วยตายายก็สอนให้ท่องศีลห้าให้ท่องเอัลลาห์ธนาให้ท่อง อะไรต่างๆนั่งบอกนั่งสอนอยู่ต่อมาต่อมาเน่ี๋ยวนี้ครูตายายไม่ต้องไปลาครูครูจะเอานักเรียนขฝากขอฝากให้ยายขอฝากให้คนนั่นคนนี้ยายไปจังหวัดปอะจะไปอยู่โอ้ยขอฝากนักเรียนจะคนสองคนเน่เอาเด็กนักเรียนติดตามมาคนละคนสองคน เอาไปมาก็เออมันก็แบ่งปันกันไปตายเป็นเรื่องดีไปเลยอย่าทอดอย่าทิ่งกันต้องมีน้ำใจอย่าเอาตัวรอดเป็นยอดดี่ยวต้องต้องช่วยกันพวกเราอแม่แต่เรามาปฏิบรรนะัติทำอะเรามีสติก็ถือว่าช่วยแล้วไม่ทำให้คนอื่นมีภาร ะ, ะเราไม่เบียดเบียนเราก็ถือว่าเราช่วยโลกแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ถือว่าช่วยโลกแล้ว ทำจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์ก็ถือว่าช่วยแล้วนี่ที่พูดที่สอนกั น, อ ย, นอย่างนี้สอน อ, อ, อาาย่างนี้สอนให้พึ่งตัวเองไม่ได้สอนให้มาเพ่งหลวงพ่อเพ่งครูบาอาจารย์สอนให้เพ่งตัวเองท่านก็หลงเองท่านก็ต้องรู้เองต้องปฏิบัติอย่างนั้นท่านเป็นทุกข์เอาเองท่านก็ต้องแก้ทุกข์เอาเอง ท่านโกรธตัวเ อ, เองท่านก็ต้องแก้โกรธตัวเ อ, เองแก้ให้เป็นทําให้เป็นนี่การสอนจึงเป็นสัจธรรมไม่ใช่แบบโอ้หลวงพ่อแผ่เมตตาให้เนยเด้อไม่ใช่แผ่อยู่ย่อเทสัพเพทุกวันทุกวันนันก็ยังไม่ไดีเพราะเราไม่ทําเราไม่ทําอายุวันโสสุขังฝลังพุจะมีอาเมัวันนาสุขภาวละต้องรู้จัก นอบนอบ้นอมกับผู้ใหญ่ข้ารบผู้ใหญ่เป็นนิตจึงมีอายุวัน่าสุขพะพล ะ, ะหมายถึงตัวเรานั่นแล้วแม่หลวงพ่อจ ะ, ะแผ่เมตตาหลวงพ่อจะให้พรย่าท้าสักทีมันก็ให้สาเร็จดอกถับพวกเราไม่ทำวิธีนี่ที่เรามาปฏิบัติเป็นวิธีที่สอนให้ทำจรงิงหลวงพอ่อไปเทศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสั์ เขาเขียนว่าปฏิบัติธรรมเฉลิมภัยเกียรติลักให้ทำการแสดงธรรมหลวงพ่อคำเขียนสอนลักให้ทำโอ้ถูกต้องเก่งว่าลักให้ทำถ้าลักพ่อแล้วแม่ก็ทําความดีกับพ่อกับแม่ถ้าลักครูอาจารย์ก็ทํา ค, ความดีกับครูอาจารย์ถ้าลักผัวแล้วแม่ก็ทําความดีกับผัวกับเมียถ้าลักลูกลักเต้าก็ทําความดีกับโรคกับเต้า ถ้ารักมิตรเพื่อนผงก็ทําดีกับมิตรกับเพื่อนกับผงถ้ารักธรรมชาติก็ทําดีกับธรรมชาติถ้ารักตัวเองก็ทําดีกับตัวเองจบเท่านี <laughs> น้เองเนาะอะไรเนาะวันนี้ก็สจงเกินใจเวลาแล้วพวกเราก็กราบพระพองค์